ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังหะอัตตกถาภาษารีบุตรมหาเถระชาวศิรังการชนาพระมหาอาคมธรรมะคโมแปลเรื่องที่แปดอธิฐานะวิกัปปะนะวินิชยกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการอธิฐานและวิกัป ก็ในการอธิษฐานและวิกัพมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้พิสูตผู้ใคร่ที่จะอธิษฐานแล้วใช้สอยพึงกล่าวชื่ออธิษฐานโดยนายเป็นต้นว่าอิมังสังคาติงอธิษฐามิดังนี้โดยนิยามในไตรจีวรเป็นต้นนั้นแหลเพราะมีพุทธานุญาตไว้ว่าดูก่อนพิสูตทั้งหลายเราอนุญาตให้อธิษฐานไตรจีวรไม่อนุญาตให้วิกัพ ให้อธิษฐานวสิกะสาดกคือผ้าอาบน้ําฝนตลอดสี่เดือนแห่งฤดูฝนพ้นจากสี่เดือนฤดูฝนนั้นอนุ ญ, ญาตให้วิกัปอนุ ญ, ญาตให้อธิษฐานนิสิธนะก็ได้ผืนเดียวด้วยนะแต่ไม่ใช้ก็ได้ไม่ให้วิกัสําหรับผ้านิสิธนะผ้าปูนั่งอนุญาตให้อธิษฐานผ้าปูนอนไม่ใช่ให้วิกัปผ้าปูนอนนี้ก็ได้หลายผืนอนุญาตให้อธิษฐานผ้าปิดฝีช่วงเวลาอาพาธ ผลจากอาภานั้นอนุญาตให้วิกัพอนุญาตให้อธิษฐานผ้าเช็ดหน้าไม่อนุญาตให้วิกัพอนุญาตให้อธิษฐานผ้าบริหารโจรไม่อนุญาตให้วิกัพ บ, บริหารโจรนี้ก็คือท่อนผ้าผ้าอื่นๆที่ไม่ได้มีชื่ออย่างอื่นดังนี้ส่วนพิษุผู้เมื่อจะวิกัพผ้าไม่ต้องระบุชื่อกล่าวคำวิกัพว่าอิมังจีวรังตุหังวิกัพเปมิตรดังนี้ บรรดาจีวรเป็นต้นเหล่านั้นอันทีส่สุเมื่อจะอธิษฐานไตรจีวรนยอมแล้วให้กลับปะพินทุก็คือให้ทําจุดดวงกลมๆเท่าแววตานกยมเพึ่งอธิษฐานจีวรที่ได้ประมาณเท่านั้นประมาณแห่งจีวรนั้นโดยกําหนดอย่างสูงย่อนกว่าสุขจีวรคือต้องไม่เท่ากับสุขจีวรก็คื อ, อยาวเก้าคืบกว้างหกคืบโดยคืบสุขจดจึงจะควร และโดยกําหนดอย่างต่ําประมาณแห่งสังคาติอุตราสง์หมายถึงผ้าสังคาติกับจีวรเนี่ยนะผ้าจีวรที่ใช้ห่วงอย่างต่ําที่สุดก็คือด้านยาวเนี่ยห้าศอกกำห้าศอกกรรําศอกหนึ่งห้าสิบเมตรเท่ากับสองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งนะห้าศอกกำหมายถึงห้าศอกแตเป็นห้าศอกที่กํา ม, มือด้านกว้างสามศอกกรรํา ด้านกว้างก็เมตรครึ่งจึงควรอันตรวาสศก็หมายถึงผ้านุ่งด้านยาวห้าศอกกำมด้านกว้างแม้ 2, สองศอกก็ควรเมตรหนึ่งอะสองศอกแต่ด้านยาวก็ห้าศอกกรำรมก็เท่าไหร่สองเมตรครึ่งด้วยศอกกํามาถึงศอกกำ ม, มือเพราะอาจเพื่อจะปกปิดสะดือด้วยผ้านุ่งบ้างผ้าห่มบ้าง แล้วก็จีวรที่เกินและย่อนกว่าประมาณดังกล่าวแล้วพึงอธิษฐานว่าเป็นบริขานโจรถ้าเกิดมันใหญ่กว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็อธิษฐานเป็นเบอร์ขานโจรนั้นบริขาโ น, นาโจนี้ไม่ใช่จะเป็นท่อนผ้าเล็กๆอย่างเดียวนะผ้าแม้ผืนใหญ่ๆก็ได้ดังปัจจุบันก็พระพิตร ม, มีจีวรหลายผืนแต่ว่าจีวรที่นอกจากจีวร อ, อธิษฐานก็อธิษฐานเป็นบริขานโจรไปหมดนี่ก็ไม่ผิดพระวินัย สต่ว่าก็ต้องพิจารณาว่ามีมากเกินไปหรือเปล่าในวิถัยแห่งการอธิษฐานจีวร น, นั้นเพราะท่านกล่าวไว้ว่าการอธิษฐานจีวรมีสองอย่างคืออธิษฐานด้วยกายอย่างหนึ่งอธิษฐานด้วยวาจาอย่างหนึ่งจะอธิษฐานด้วยกายหรือว่าด้วยวาจาก็ได้นะฉะนั้นพิตุพึงถอนสังาติผื่นกล่าวว่าอิมังสังคาติงปัจจุดธารามิเราถอนสังขติพืนนี้นี่หมายถึงว่าจะอธิษฐาน สังคติผืนใหม่ต้องถอนผื้นเก่าก่อนเพราะว่าถ้ายังไม่ถอนผื้นเก่าจากอธิษฐานผื้นใหม่นั้น อ, อธิษฐานไม่ขึ้นเพราะว่าอธิษฐานได้ผืนเดียวนะสังคติแล้วก็ชีวรสสบงเนี่ยอุตราสองอัตราวาศกเนี่ยอธิษฐานได้อย่างละผืนแล้วก็เอามือจับสังคติพื้นใหม่กระทําการผูกใจว่าอิมังสังคาติงอธิษฐานมิอันนี้ก็ว่าในใจนว่าในใจว่าเราอธิษฐานผ้าสังคติผืนนี้ แล้วพึงทำกายยาวิการก็คือเอามือลูบคลำอธิษฐานด้วยกายเอามือลูบที่สังคตินั้นน่ะแล้วก็อธิฐานในใจว่าอิมังสังฆติงอติษฐามิอันนี้เรียกว่าอธิษฐานด้วยกายเมื่อไม่ถูกต้องจีวร น, นั้นด้วยส่วนแห่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งการอธิษฐานนั้นไม่ควรก้าไม่ได้เป็นวาจานจะนึกในใจแล้วก็ดูห่างๆกับสังฆติจีวร น, นั้นอธิฐานไม่ควร ส่วการอธิษฐานด้วยวาจาพึ่งเหล็กเปล่งวาจาแล้วอธิษฐานก็อธิฐานด้วยวาจาก็ให้เปล่งวาจาให้เสียงออกมาอันนี้จะอยู่นอกหัตถบาทก็ได้ไม่ต้องไปจับจีวรนั้นก็ได้อธฐานด้วยวาจานี้ในการอธิษฐานด้วยวาจานั้นการอธิษฐานมีสองวิธีถ้าผ้าสังขติอยู่ในหัตถบาทพึงเปล่งวาจาว่าอิมังสังคาติงอธิษฐานิข้าพเจ้าอธิษฐานผ้าสังขติผืนนี้ ถ้าอยู่ในหัตถบาดถ้าสังคติอยู่ภายในห้องในปราสาทชั้นบนหรือในวัดใกล้เคียงจะอยู่ห่างแค่ไหนก็แล้วแต่เพิ่งกำหนดที่เก็บสังาติไว้แล้วเปล่งวาจาว่าเอตังสังคาติงอธิฐานิข้าพเจ้าอธิษฐานสังคติพื้นนั่นก็คือจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ห่างแค่ไหนก็อธิษฐานได้อันนี้ด้วยวาจาในอุตรระสงและอันตรวาส ก, ก็คือผ้านุ่งและผ้าห่มเนี่ย ก็มีนายอย่างนี้อุตราสองนี้ก็คือผ้าหมจีวรที่หมอันตราวาสกก็คือพระนุง่งจริงอยู่เพียงแต่ชื่อเท่านั้นที่แปลกกันเพราะฉะนั้นพึงอธิษฐานจีวรทั้งหมดโดยชื่อของตนเท่านั้นอย่างนี้ว่าอีมังสังคาติงอธิษามิอีมังอุตราสังขังอธิษามิอีมังอันตราวาสกังอธิษามิฝ่ายฐานสังคติแล้วก็ชีวรหมแล้วก็ผ้านุง่ง อันนี้เป็นไตรจีวรแต่ว่าต้องถอนผืนเก่าก่อนนะถ้าปิกจุกระทําจีวรมีสังฆสติเป็นต้นด้วยผ้าที่อธิษฐานเก็บไว้เมื่อย้อมและกับตะแล้วพึงถอนว่าอิมังจีวรังปัจจุดธารามิข้าพเจ้าถอนผ้าผืนนี้แล้วอธิษฐานใหม่ก็หมายถึงถ้าจีวรเนี่ยนะเราไปเอาผ้าอะไรมาแล้วก็อธิษฐานเก็บเอาไว้ว่าเป็นบริขารโจร เมื่อจะเอามาทำเป็นสังฆติจีวรหรือว่าสบงก็ต้องถอนขุนเก่าก่อนแล้วอธิษฐานใหม่แต่เมื่อเย็บแผ่นผ้าใหม่หรือขันใหม่เฉพาะที่ใหญ่กว่าเข้ากับจีวรที่อธิษฐานแล้วควรอธิษฐานใหม่ถ้าเป็นผ้าที่เอามาทำเป็นขันใหม่ที่มันใหญ่กว่าที่มันใหญ่มากต้องอธิษฐานใหม่ในแผ่นผ้าที่เท่ากันหรือว่าเล็กกว่า ไม่จําเป็นต้องอธิษฐานใหม่คือถ้าแผ่นผ้าที่เอามาย็ดติดกระจายวรมันเล็กกว่าจีวรก็ไม่ต้องอธิษฐานแล้วถือว่าเป็นการอธิษฐานแล้วถามว่าก็ไตรจีวรนจะอธิษฐานเป็นบริขารโจรควรหรือไม่ตอบว่าได้ทราบว่าพระมหาปทุมมเคระกล่าวว่าไตรจีวรเพิ่งอธิษฐานเป็นไตรจีวร อ, อย่างเดียว ถ้าว่าอธิษานเป็นบริหารโจรได้การบริหารที่ตรัสไว้ในอุโดติตะสิกาบทก็คือการที่ไม่อยู่ปราศจากไตรจรีวรแม้ราตรีหนึ่งเนี่ยนะก็จะพึงไร้ประโยชน์ไปพระพุทธเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตเนญสิกาบทให้พระภิกษุเนี่ยต้องรักษาไตรจรีวรจะอยู่ปราศจากแม้คืนเดียวก็ไม่ได้ได้ยินว่าเมื่อพระมหาปฐุมเถระกล่าวอย่างนี้พวกภิกษุที่เหลือกล่าวว่า แม่บริขารโจรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าพึงอธิษฐานเพราะเหตุนั้นการอธิษฐานไตรจีวรให้เป็นบริขารโจรย่อมสมควรนั่นก็คืออธิษฐานได้ก็ไม่ต้องรักษาไตรจีวรในข้ออุโดสิตตะหรือว่าทุติยะกฐินทิขาบทเนี่ยนะก็ไม่ต้องบริหารแต่ว่าก็อยู่สบายไม่ต้องมีการรักษาแม้ในมหาปัญจเรีท่านก็กล่าวว่า ชื่อว่าบริขารโจรนี้เป็นเหตุแห่งการเก็บชีวรโดยความไม่เป็นนิสสกิยะไว้ผนกหนึ่งจกอธิษฐานตรจีวรว่าบริขารโจรแล้วใช้สอยควรอยู่ท่านก็ให้อธิษฐานบริขารโจรแต่ว่าอธิษฐานไว้เพื่อประโยชน์อะไรอันนี้ต้องมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้าอธิษฐานเป็นบริขารโจรแล้วไม่ได้รักษาตรชีวรมันจะมีอ น, นิสงส์อะไรส่วนในอุดอสิตะสิทธาบท ตรัสการบริหารไว้สําหรับทิสุผู้อธิษฐานไตรจีวรแล้วบริหารอยู่อถ้าสิกขาบทตามที่พระพุทธเจา้าตรัสไว้เนี่ยให้บริหารไตรจีวรคือต้องรักษาก่อนที่อรณุณจะขึ้นเนี่ยนะจะต้องรักษาเอาไว้ถ้าอยู่ปราศจากไตรจีวรในตอนอรณุณขึ้นนั้นก็จะต้องอบัติมิสกิยปาปจิตีนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาสิกขาบทข้อนี้จะมีอนิสงส์อะไรอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบดูว่าถ้ารักษา ตรชีวร อ, อธิษฐานเป็นตรชีวร น, นั้นจะมีอนิสงส์อะไรแล้วก็ถ้าเกิดเอาตราจีว น, นั้นมาอธิษฐานเป็นบริการโจรแล้วก็จะมีอนิสงส์อะไรก็เปรียกเทียบกันจะได้รู้ประโยชน์ในการที่จะกระทําจะบริหารตรจีวรหรือว่าจะไม่บริหารตรชีวรได้ยินว่าแม้พระมหาติสะเถระผู้กล่าวอุปโตวิพังก็คือวิพังของพิจุกับภิจุณี จึงอยู่ที่ปุณณ์นนวาริกาลามได้กล่าวว่าในการก่อนพวกเราได้ฟังจากพระมหาเถรว่าพวกพิษุผู้อยู่ป่าเก็บจีวรไว้ในโทรงไม้เป็นต้นไปเพื่อต้องการจะเริ่มบำเพ็ญเพียรและเมื่อพิษุเหล่านั้นไปเพื่อประสงค์จะฟังธรรมในวัดใกล้เคียมเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วพวกสามเณรหรือพวกพิษุหนุ่มจึงถือบาจีวรไปให้ เพราะฉะนั้นการอธิษฐานไตรจวรเป็นบริขารโจรเพื่อใช้สอยสะดวกควรอยู่อันนี้สําหรับเพิกโจที่อยู่ป่าแต่ว่าเพิกโุที่ประสงค์จะไปฟังธรรมะในวัดที่ใกล้เคียงเนี่ยนะก็รู้ว่าถ้าไปแล้วเนี่ยกลับมาอาจจะไม่ทันอรุณขึ้นเพราะว่าการที่จะขาจากตรจวรเนี่ยมันจะขาตอนอรุณขึ้นถ้าอยู่นอกคันตบาทเพราะฉะนั้นท่านก็ถอนแล้วก็อธิษฐานเป็นบริขารโจร หรือว่าถ้าถอนอธิษฐานจากไตรจีวรเ น, นี่ยนะเป็นอัจจะเดตจีวรไปอัจจะเดตจีวรจะมีอายุได้สิบวันจะไม่เป็นอบัติถ้าอัจเดตจีวรเกินสิบวันถึงจะเป็นอบัติอั้นเมื่อถอนอธิษฐานจากไตรจีวรไว้ก็ตั้งอยู่ในอัจจเรตจีวรหรือไม่ยอย่างนั้นก็อธิษฐานเป็นบริขารโจรไปเป็นบริขารที่นอกเหนือจากบริขารอื่นที่อธิษฐานเนี่ยนะก็ไม่มีอบัติ แล้วก็อยู่เกินสิบวันก็ได้แต่ว่าประโยชน์ของท่านก็คือเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลในการบําเพ็ญเพียรนะเพราะว่าคนที่เจริญสมถะโพนาวิปัสนาโพนาในป่าเนี่ยนะโดยเฉพาะตอนที่กําลังจะได้ฌานหรือว่ากําลังจะได้วิปัสสนาเนี่ยก็อาจจะต้องกังวลในเรื่องของตรีจีวรว่ามันจะอรุณขึ้นหรือเปล่าตรีจิวรอยู่ตรงไหนก็เลยทําให้เป็นเครื่องกังวลไอ้ฌานเป็นประฐานโจรเลยไม่ต้องกังวลนะ หรือไปฟังธรรมะวัดใกล้เคียงกลัวว่ากลับมาไม่ทันอรุณก็ไอท า, านเดินประคานโจรไปเสียใช้สอยสะดวกแต่ถ้าเกิดกรารวิจุที่ไม่มีกิจอย่างนี้ไม่ได้อยู่ป่าไม่ได้บําเพ็ญสมถะวิปั ส, สนาีจวสร้างใกล้จะได้ฌานหรือว่าไม่ได้ดไปฟังธรรมะวัดใกล้เคียงกลับมากลัวจะอรุณขึ้นก่อนเนี่ยก็จะไอท า, านเดินประคานโจรทําไมเพราะว่าถ้าไอท า, านแล้วจะไม่คอยระวัง เมื่อไม่คอยระวังก็จะไม่มีสติคอยกำกับอันนี้ก็จะไม่ค่อยได้อานิสงส์เท่ากับการที่จะคอยระวังว่ามีสิข้าบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เมื่อระลึกถึงสิขาบทขณะนั้นก็เป็นศีลนะเป็นสิกขาเพราะว่าสิกขาในปฏิสัมพิธามานั้นแสดงไว้ว่าเมื่อนึกถึงอยู่เมื่อคิดถึงเมื่ออธิษฐานเมื่อไตรตรองถึงศีลอันนั้นก็เป็นการศึกษาด้วยหรือว่าสมาธิก็ตามปัญญาก็ตาม แค่ระลึกถึงชื่อแา่นึกถึงแค่อวัชนะไปเนี่ยนะก็เป็นการศึกษาและถ้าไม่ได้ระลึกถึงศึกขาบทก็ไม่ได้เป็นศีลไม่ได้เป็นสติอะไรแต่ถ้าระลึกถึงก็เป็นศีลมีสติในขณะนั้นด้วยแม้ในมหาปัญจรียท่านก็กล่าวว่าในการก่อนพวกพิสุผู้อยู่ป่าได้อธิษฐานไตรจีวรเป็นบริฐานโจร น, นั่นแลแล้วใช้สอยด้วยใส่ใจว่า ในแดนที่ไม่ผูกสีมารักษาได้ยากก็รักษาได้ยากะนะเพราะว่าท่านอยู่ป่าแต่ว่าในการอยู่เมืองก็ไม่ได้มีแดนที่อยู่ปราจากไตรจีวรหรอกแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ป่าไม่ได้เบิ่มเพ็ินเพียนอย่างนั้นก็การระแวดระวังคอยรักษาไว้ก็จะได้อานิสง์ก็คือทําให้เป็นการอบรมสติทําให้มีสติเพิ่มขึ้นต่อไปวัชิกาสาดก คือผ้าอาบต้งฝนที่ไม่เกินประมาณก็คือยาวหกคืบกว้างสองคืบครึ่งโดยคือพระสุคตต้องไม่ยาวเกินนี้ไม่กว้างเกินนี้อันพิสุพึงระบุชื่อแล้วอธิษฐานสิ้นสี่เดือนฤดูฝนโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแหลต่อจากนั้นพึงถอนแล้ววิกับไว้วิกับก็หมายถึงว่าฝากเอาไว้หรือว่าทาให้เป็นของเจ้าของเอาไปใช้ไม่ได้แต่ว่าเก็บได้ ก็วัสดุสารดบนี้แม้ย้อมพอทําให้เสียสีก็ควรก็คือจะมีสีด่างดําอะไรหน่อยก็ได้แต่สองผืนไม่ควรใช้ได้ผืนเดียวผ้านิสิธนะพึงอดิฐานโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแหลก็คืออดิฐานเป็นนิสีดนาังอีมังนิสีดนาังอดิฐามิก็แล้ผ้านิสิธานะนั้นได้ประมาณมีเพียงผืนเดียวเท่านั้นจึงควรสองผืนไม่ควรผ้านิสิตนาก็ ยาวสองคืบกว้างคืบหนึ่งชายได้อีกคืบหนึ่งใหญ่พอสมควรแหละผ้านี้สีธนาเนี้เอาไว้นุ่งเอาไว้นุ่งแบบแผ่นพิดเพื่อป้องกันน้ำอสุจิเคลื่อนเปิดอนเลอะเทอะเสีาสนะที่นอนอะไรต่างๆนั้นก็ต้องมีชายสามชายเพื่อเอาไว้นุ่งได้ก็ใช้ได้ผุนเดียวสองืนนั้นไม่ควรแต่ถ้าเกิดผ้า ที่เป็นนิสิตนาที่เขาใช้กันไม่จะทําเป็นรอยเอาไว้เนี่ยนะถ้าเย็บติดกันไม่มีชายออกมาสามชายนั้นเอามานุ่งไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้เป็นผ้านิสิตนาเป็นบริการโจรไปแม้ผ้าปูนอนก็ควรอดิฐานเหมือนกันก็ผ้าปูนอนนั้นถึงใหญ่ก็ควรแม้ผืนเดียวก็ควรแม้มากผืนกค็ควรก็ใช้ได้หลายผืนแล้วก็สีอะไรก็ได้ มีลักษณะเป็นต้นว่ามีสีเขียวก็ดีสีเหลืองก็ดีมีชายก็ดีมีชายเป็นลายดอกไม้ก็ดีย่อมควรทุกประการเพื่อว่าเอาไว้ปูนอนเท่านั้นไม่ได้มาโชว์ไม่ได้เอามานุ่งห่มอะไรผ้าปิดปีได้ประมาณพึงอธิษฐานช่วงเวลาที่ยังมีอาพาธอยู่เมื่ออาพาธหายแล้วพึงปัด จ, จุดทอนวิตกไว้พื้นเดียวเท่านั้นจึงควรยาวสี่คืบกว้างสองคืบ พระเจ้ า, าพึงอดิษฐานเหมือนกันที่สุดจำต้องปรานาผืนอื่นเพื่อต้องการใช้ช่วงเวลากำลังซักอีกผืนหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นสองผืนก็ควรพระนานี้ใช้ได้สองผืนแล้วพระนจาก็ใหญ่นะไม่ใช่เล็กๆหรอกเพราะว่าภาที่ต้องอดิษฐานเนี่ยมีขนาดยาวแปดนิ้วกว้างสี่นิ้วคทั้งหดก็เป็น คืบสอกก็สอกสอหนึ่งสอกช่างไม้ยาวนะกว้างก็คืบหนึ่งช่างไม้ก็กว้างแหละ5้าสิบไปเ็ดิห้าเซนนั่นนะ ก, กว้างเพ น, นก็ใช้ได้สองผืนก็ได้เพื่อเอาไว้ลัดเปียกันเวลาซักแต่พระเถระอีกพวกหนึ่งกล่าวว่าการอธิษฐานผ้าเช็ดหน้านั้นมุ่งการเก็บไว้เป็นสำคัญแม้มากผืนก็ควรอันนี้ก็ความเห็นของพระเถระอีกพวกหนึ่ง ในบริฐานโจรชื่อว่าการนับจำนวนไม่มีบริคารโจรก็บริขารที่ใช้อย่างอื่นเพิ่งอธิษฐานได้เท่าจำนวนที่ต้องการนั้นเทียวถุงย่ามก็ดีผ้ากรองน้ำก็ดีมีประมาณเท่าจีวรที่ควรวิกับเป็นอย่างตำ่ำเพิ่งอธิษฐานว่าบริขานโจรเหมือนกันผ้าควรวิกับควรอธิษฐานอย่างต่ำก็สองคืบคูณหนึ่งคืบก็คือสองคูณคืบของช่างไม้ หรือว่าแปดนิ้วคูณสี่นิ้วสุดพจด์นี่นะยาวแปดนิ้วกว้างสี่นิ้วประมาณแห่งจีวรที่ควรวิกับเป็นอย่างต่ำนั้นก็คือสองคืบโดยส่วนยาวหนึ่งคืบโดยส่วนกว้างอันหนึ่งคืบนั้นได้ขนาดผ้าเท่านี้คือประมาณหนึ่งศอกช่างไม้โดยส่วนยาวมีประมาณกึ่งศอกช่างไม้โดยส่วนกว้างในเรื่องนี้มีพระบาเรดังต่อไปนี้ดูกวิ่งตูดเลืงไหล เราอนุญาตให้วิกัดจีวรมีขนาด8นิ้วโดยส่วนยาวกว้าง4นิ้วโดยนิ้วสุคตเป็นอย่างต่ําอันนี้ก้านเดียวกัน8นิ้วสุคตก็เท่ากับ2คืบของช่างไม้4นิ้วสุคตก็เท่ากับเครือบอหนึ่งของช่างไม้ก็ในยะเดียวกันแม้จะรวมจีวรมากผืนเข้าด้วยกัน แล้วอธิษฐานว่าอิมานิจีวรานิปริขาระโจรานิอธิษฐามิท้าบเจ้าอธิษฐานจีวรเหล่านี้เป็นบริขารโจรดังนี้ก็สมควรเหมือนกันในเมื่อภิกษุจะเก็บไว้เพื่อประโยชน์แก่เทสัตนวกรรมและมารดาบิดาเป็นต้นไม่อธิษฐานก็ไม่เป็นอบัติก็คือถ้าไม่ได้เอาไว้ใช้ฝอยถ้าไม่ได้ตั้งใจจะเอาไว้ใช้ฝอยเพื่อตอนเอง จะเก็บไว้เพื่อเป็นประโยชน์แกเ่เทศปตามนวกรรมคือการก่อสร้างหรือว่าจะไว้ให้บรราบิดาอันนี้ก็ไม่ต้องอธิษฐานก็ได้นำไปเป็นอบัติส่วนในเสนาสนะบริขารเหล่านี้ก็คือฟูกเตียงอย่างหนึง่งฟูกตําอย่างหนึง่งหมอนอย่างหนึง่งผ้าปาวานอย่างหนึง่งผ้าโปูเฉาอย่างหนึง่งและในเครื่องปูราะที่เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะบริขารไม่มีกิจที่ต้องอธิษฐานเลยก็คือพวก ผ้าที่อยู่ในกุฏิอยู่ในวิหารที่เป็นของประจําเสนาสนะผ้าหม่มผ้าปูเตียงผ้าปูตังอะไรต่างๆทั้งหลายอันนี้ไม่ต้องไปอธิษฐานของเขาเพราะว่าไม่ใช่ของส่วนตัวแม้จะเอามาห่มนอนก็ไม่เป็นไรนะก็ถ้าพิจุได้ได้ถ้าได้ได้ยบผ้ามาจากที่แห่งญาณและคนปรวรณาแล้วให้ญาิและคนปรวรณา หรือบุคคลอื่นที่เป็นช่างหูกพิสูจจ้างมาด้วยมูลค่าให้ทอจีวรไม่เป็นอบัติก็คือถ้าได้ได้มาจากคนที่เป็นญาติคนประวรตินาแล้วก็ไปให้ญาติหรือว่าคนประวัตนาเนี่ยที่เป็นช่างหูกหรือว่า บ, บุคคลอื่นก็ตามแต่ว่าจ้างมาด้วยมูลค่าเนี่ยให้ทอยจีวรนี้ไม่เป็นอบัตเพราะการใช้ให้ทอยเป็นปัจจัยก็นะจะมีสิกธาบทข้อหนึ่งก็คือขอได้มาเองแล้วให้ช่างหูกทอย จีวอเป็นอาบัตินิสกิยปาจิตีแต่ว่าได้นี่ก็ได้มาจากคนที่เป็นญาติคนเรานาอันนี้ไม่ให้ช่างหูกทอจีวรนี้ไม่เป็นอาบัติแต่พิจูเมื่อจะป้องกันอาบัติเพราะการล่วงสิบวันเป็นปัจจัยเพึ่งอธิษฐานจีวรที่ทอแล้วนั่นแหละในเมื่อหูกที่ช่างหูกทอได้ขนาดเท่าจีวรที่ควรมิกับก็คือแปดนิ้วคูณสี่นิ้วและสกุลก็ควรจะอธิษฐานไว้เพราะว่าเดี๋ยวก็ทําเกินสิบวันก็ไปเนี่ย จะต้องอาแบนี้สักยับไปจิตีเพราะว่าตรงอันตรกจีวรนินิวันเพราะว่าจีวรนที่ช่างหูทอให้สาเร็จล่วงเพราะว่าจีวรที่ช่างหูกทอให้สำเร็จลงโดยล่วงสิบวันไปจะพึงเป็นนิสักทีชนี้แลแม้ในจีวรที่พวกเจ้าเป็นต้นยกหูกขึ้นแล้วมอบถวายว่าท่านผู้จริญท่านพึงรับอัจีวรนนี้เพื่อท่านก็มีในอย่างนี้เหมือนกัน ถ้าช่างหูกันพิจุว่าจ้างมาอย่างนี้หรือเป็นผู้ประสงค์จะถวายเจ้เองจึงกล่าวว่าท่านขอรับผมจักทอจีวรถวายท่านในวันชื่อโน้นแล้วจักเก็บไว้และวพิจุให้ล่วงสิบวันไปจากวันที่ช่างหูกนั้นกําหนดไว้เป็นนี้สักยะปาจิตตีแต่ถ้าช่างหูกกล่าวว่าผมจักทอจีวรถวายท่านแล้วจักตรงข่าวไปให้ทราบแล้วทําเหมือนอย่างที่พูดไว้ แต่พิสษุที่เขาวานไปไม่บอกแกพิสุนั้นพิสูจรูปอื่นเห็นหรือได้ยินแล้วบอกว่าท่านขอรับกีวงของท่านสำเร็จแล้วการบอกของพิสษุนี้ไม่เป็นประมาณแต่ในเวลาเมื่อเธอให้ล่วงสิบวันไปจำเดิมแต่วันที่เธอได้ยินคำของพิสุที่ช่างหูกนั้นวานไปนั่นแหละบอกจึงเป็นนิสกัคยะปฏิติเพราะนั้นก็เอาคาของพิกษุที่ช่างหูกวานไปนะจต่พิสษุอื่นมาบอกนี่ไม่เป็นประมาณ ถ้าเจ้าหูกล่าวว่ากระผมทอจีวรเพื่อท่านแล้วจัดส่งไปถวายในมือของพิกสุบางรูปแล้วกระทําตามที่พูดนั้นก็คือจะฝากพิกสุบางรูปไปให้แต่พิกษุที่รับจีวรไปเก็บไว้ที่บริเวณของตนไม่บอกแก่เธอพิกษุอื่นบางรูปกล่าวว่าท่านขอรับจีวรของท่านที่เพิ่งส่งมาให้สวยดีไหมครับพิกษุผู้เป็นเจ้าของยิ้มถามว่าจีวรอยู่ที่ไหนอาวุโส เธอจึงบอกว่าช่างหูกเขาส่งมาในมือของพิสูุชื่อนู้นคำพูดแม้ของพิกูนี้ก็ไม่เป็นประมาณเหมือนกันต่อเมื่อใดพิกูุนั้นคือพิกูุที่ช่างหูกฝากมาเนี่ยถวายจีวอนเมื่อเธอให้ล่วงสิบวันไปนับแต่วันที่ตนได้จีวอนมานั้นจึงเป็นนิสกิยาปจิตีแต่ถ้าค่าจ้างให้ทอเป็นของที่พิสูยังไม่ได้ใจ่ายให้ยังรักษาอยู่ตราบเท่าที่ค่าจ้าง ทำยังเหลืออยู่แม้เพียงก่างกันนิดหนึ่งคือจะเกิดจ้างให้เขาทําด้วยกัปปิยะโอหานที่เหมาะสมสมควรยังจ่ายค่าจ้างเขายังไม่หมดเมื่อใดนี่ยังไม่ต้องนับจีวอแม้ถ้าเอาจีวรมาให้ก็ตามแล้วก็ยังไม่ได้ให้ค่าจ้างแต่ช่างหุง ก, ก็ยังไม่ถือว่าเป็นจีวรของตนแนะยังไม่ได้ให้ทาก น, นก็ยังไม่มีอบัตเกินสิบวัก็ยังไม่มีอบัตจนกว่าจะจ่ายค่าจ้างนั้นหมดแล้วอันนี้แหละเริ่มนับวันได้ ก็ต้องอธิษฐานถามว่าก็จีวรที่อธิษฐานแล้วเมื่อพิกษุใช้สอยอยู่จะละอธิษฐานไปด้วยเหตุอย่างไรคือด้วยเหตุเท่าไรตอบว่าย่อมละด้วยเหตุเก้าอย่างนี้จีวร อ, อธิษฐานเนี่ยจะขาดจากอาธิษฐานนั้นด้วยเหตุเก้าอย่างก็คือหนึ่งด้วยให้บุคคลอื่นสองด้วยถูกชิงเอาไปโจรชิงเอาไป สามด้วยการถือเอาโดยวิสาสะคือสะธร ม, มิกทั้งหลายถือเอาไปโดยวิสาสะก็ขาดอดีตฐานเหมือนกันสี่ด้วยหันไปเป็นคนเลวก็คือเข้ารีดเดียรถีไปเข้ารีดเดียรถีไปนับถือนักที่อื่นจีวรนั้นก็ขาดอดีตฐานห้าด้วยลาสิขาพอลาสิกขาจีวรก็ขาดอดีตฐานเหมือนกันหกด้วยการละกิริยาก็คือตายเจ็ดด้วยเพศกลับ ก็คือกรับเพศจะเป็นพิกษุณีจีวรก็ขาดอธิษฐานพิกษุณีกลับเพศมาเป็นพิกษุก็จีวรขาดอดิษฐานเหมือนกันแปดด้วยการถอนอธิษฐานก็ขาดเก้าด้วยความเป็นช่องทะลุเป็นรูทะลุแต่ว่ามีขนาดขอรูทะลุนั้นบรรดาเหตุเก้าอย่างนั้นจีวรทุกชนิดย่อมละอดิษฐานด้วยเหตุแปดอย่างข้างต้นแต่เฉพาะไตรจีวร และอธิษฐานด้วยความเป็นช่องทะลุท่านกล่าวไว้ในอติกฐานทุกแผ่งก็คือจีวรทุกชนิดเลยจะเป็นผ้าปูนั่งจะเป็นผ้าปูนอนเป็นผ้าเช็ดหน้าเป็นไตรจีวรเป็นอะไรก็แล้วแต่จีวรที่อธิษฐานไว้เนี่ยเหตุแปดอย่างข้างต้นเนี่ยนะทําให้ขาดอธิษฐานนั้นได้หมดแต่ว่าจีวรอย่างอื่นเนี่ยถ้าเป็นรูทะลุ อันนี้ยังไม่ขาดอดีตฐานยกเว้นเฉพาะไตรชีวรเท่านั้นไตรจีวรเนี่ยถ้าเป็นรูทะลุเท่ากับประมาณหลังเล็บนิ้วก้อยอันนั้นก็ทําให้ขาดอดีฐานเพราะฉะนั้นไตรจีวรจึงมีเหตุที่ทําให้ขาดอดีตฐานเก้าอย่างส่วนจีวร อ, อย่างอื่นผ้าอย่างอื่นทำให้ขาดอดิตฐานแปดอย่างเท่านั้นแลการละอดีตฐานนั้นท่านต่าไว้ด้วยช่องทะลุประมาณเท่าหลังเล็บ ในช่องทะลุประมาณเท่าหลังเล็บนั้นผู้ศึกษาเพิงทราบขนาดเท่าหลังเล็บ ด, ด้วยสมามารถเห็นเล็บ้วก้อยและช่องทะลุเป็นช่องโบทีเดียวก็ถ้ามแม้ว่าภายในช่องทะลุยังมีเส้นใต้เส้นหนึ่งยังไม่ผ่านก็ยังรักษาอยู่ไปถึงว่าไม่มีเส้นด้อยู่ระหว่างช่องทะลุนั้นเลยบรรดาไตรจีวรนั้นสําหรับสังาติและอุตราสง์ ช่องทะลุจากด้านในแห่งเนื้อที่มีประมาณเพียงหนึ่งคืบจากชายด้านยาวชายด้านยาวเนี่ยถ้ารึกเข้าไปหนึ่งคืบแล้วก็ประมาณแปดนิ้วจากชายด้านกว้างน่อมทำให้ขาดอดิฐานก็คือหนึ่งคืบคูณแปดนิ้วสำหรับสังฆติกับอุตรารสงค์ก็คือผ้าที่เอาไว้หม่มชีวอนไว้หกทำให้ขาดอดิฐานแต่สาหรับอันตรวาศ ก็คือพันนุง่งช่องทะลุจากด้านในแห่งเนื้อที่มีประมาณเพียงหนึ่งคืบจากด้านยาวมีประมาณเพียงสี่นิ้วจากด้านกว้างย่อมทําให้ขาดอสิฐานก็คือหนึ่งคืบคูณสี่นิ้วช่องทะลุเล็กลงมาไม่ทําให้ขาดอสิฐานก็คือมีขนาดน้อยกว่านี้ถ้าไม่ถึงคืบหนึ่งหรือว่าไม่ถึงสี่นิ้วจากด้านยาวกับด้านกว้างเนี่ยก็ยังไม่ขาดสีฐาน เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นช่องทะลุไตรจีวอนนั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานแห่งอัตเตชีวรก็มีอายุเหลือแค่สิบวันถ้าเกินสิบวันนี้ก็ต้องอบานิสกิยปิจิตีเพราะฉะนั้นควรกระทําสูญจิกรรมก็คือเย็บให้เรียบร้อยหรือว่าชุนให้เรียบร้อยแล้วอธิษฐานใหม่ก่อนพิสุดใดดามผ้าปะลงในที่ชำรุะก่อนแล้วเลาะที่ชำรุะออกในภายหลังการอธิษฐานของพิสุนั้นยังไม่ขาดไป แม้ในการเปลี่ยนแปลงกระทงจีวรก็มีในอย่างนี้เหมือนกันก็คือปะผ้าลงไปก่อนแล้วก็เลาะออกที่หลังสําหรับจีวรสองชั้นเมื่อชั้นหนึ่งเกิดเป็นช่องทะลุหรือว่าคลาดไปอธิษฐานยังไม่ขาดคือทะลุชั้นเดียวที่สุกระทำจีวรผืนเล็กให้เป็นผืนใหญ่หรือกระทําผืนใหญ่ให้เป็นผืนเล็กอธิษฐานยังไม่ขาดก็คือถ้ามันใหญ่เกินไปก็ตัดออกก็ยังไม่ขาด ท่านเด้เกินไปก็เอาผ้ามาเสริมก็ยังไม่ขาดเหมือนกันแต่ผ้านั้นต้องไม่ใหญ่กว่าซีวนของเดิมเมื่อจะต่อริมสองข้างเข้าที่ตรงกลางถ้าว่าตัดออกก่อนแล้วภายหลังจึงเย็ดติดกันอดิฐานย่อมขาดถ้าเกิดไปตัดออกหมายถึงว่าจะต่อตรงกลางเลยนะตัดออกให้ขาดจากการก็อดิฐานขาดถ้าเย็ดต่อกันแล้วภายหลังจึงตัดยังไม่ขาดอดิฐาน เกียบต่อเสร็จแล้วก็ตัดภายหลังแม้เมื่อใช้พวกช่างย้อมซักให้เป็นผ้าขาวอดิฐานก็ยังคงเป็นอดิฐานอยู่ทีเดียวนี้เป็นวินิฉัยในการอดิฐานเท่านี้ก่อนถ้าให้ไปฟอกให้เป็นสีขาว้าจิวอนน้วก็ไม่ขาดอดิฐานส่วนในการวิ ก, กับรเราวิ ก, กักรก็เอาไว้ต่อวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ปิดเวลาอนุโมทนาสาธุ